ฟังแล้วจำนำไปปฏิบัติมันยังใส่สได้มนฟังแล้วทิ้งใส่บได้ยังไงเสีย mm hmm. เมื่อบันทีย mm ี่สิบแปดผมบอกไว้ mm hmm. ถ้าหากผู่ใดบ่พอใจฝึกหัดตัวเองนนมนุ์ไปหาจำบรรดาทางอื่นก็ได้ผมบอกยังไน พะมีเวลาอยู่ปีวันที่28ตื่นมาเป็นเวลาวันที่29ไปจำพรรษาทันวันที่29ตอนเช้าผมก็บอกอีกตืมนะถ้าหากบ่พอใจฝึกหัดดัดแปลงแก้ไขตัวเอง น, ะะนี่มนนรปจำพรรษาทั้งอื่นเพราะว่าสำหรับทัพหน่งขวดเนี่ยเราเริ่มทำกันมาตั้งแต่ปีพศ2000 ห้ารอยยี่สิบเก้าขุดคลองน้ำยังไม่ได้มาอยู่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบก็ยังบม่ทันจะเข้ามาอยู่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบเมื่อกี้ดี๋เรามาจำพันษาช่วยกันทนุถนอมบำรุงกันมาทุกคนช่วยกันสร้างเสริมทับมิงขวนให้ดีขึ้นทับมิ้งขวนนี่เราจัดการให้เป็นสถานที่ปฏิบัติ โดยตรงไม่ใช่เจอามาทำลายตัวเองทำลายสังคมผมสั่งบอกว่านังซื้อพิมพ์ไม่ต้องดูผมบอกการนุ่งเสื้อนุ่งผ้าห่มเสื้อห่มผ้าการไตการมาการทู่ ก, กันจาเราต้องฝึกหัดทุกคนเพราะเราจะฝึกหัดตัวเราดีแล้วจะได้สอนคนอื่นให้เป็นครูต่อไป นั่งก็นั่งดีๆยืนก็ยืนดีๆห่มผ้าก็ต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างใสได้จะเป็นผู่ของคนไม่ใช่อยากทำอะไรทำไปตามอารมณ์นั่นบนเองเฮาเวากันแล้ววะสติคมระลึกได้มันบนเม่ระลึกได้มันคิดแล้วมันเวาไปซื่อมันเข้าไปในความคิดว่าทุกคนแบบนั้นบา่าไม่คนมีสติ คำว่าสติคนามลนลึกได้พอดีว่าไปปึ๊บปึ๊บเปิดเออเราว่าไปด้วยความคิดว่าไปด้วยอารมณ์สติคนามลึลึกได้ได้หมดเนี้ยแล้วลึกได้เอ่าจับยังสติความรู้ตัวเนี่สติคนาม้ึได้ซ้ำปสัสสน์รู้ตัวรู้ตัวแล้วก็กลับความคิดประเภทนี้มันด้วยด้วยสติปัญญาหรือหรือมันอยู่ด้วยโมหะโทสะโลพาเราต้องรู้จัก ถ้าหากบ่รู้จักกางสั่นก็แสดงบาขนนะั้นอย่างไ่เล็กฝึกขัดตัวเองที่ผมบอกมือมีอเป็นนือแหลมแปดคำเข้าพรรษาผ่านมาแล้วเป็นเวลาเจ็ดมือการงานทุกสิ่งทุกอย่างต้องฝึกจริงๆถ้าพรบุฝึกเกิดในมนประจำภาษาทางอื่นก็ได้เดี๋ยวนี้พรรษาหลังยังมีครับ ผมสั่งต้องเสือฟังอันนี้เป็นคําสั่งด้วยคำคำสั่งบอกให้ทํำอย่างนั้นต้องทำบอทบาบอได้มันเป็นการลบลางมันเป็นการเนรคุณผมพูดด้วยควาจริงใจเพื่อความหวังดีต่อพรกคพวกทุกโนเงินคือการพระคือกันยาโยมคือกั น, น, อ, กนอย่าถือว่าผมดีระดับบอดีความดีของมือมองซื่อๆนั่นไง พอกำปั้นเนยคนดีของผมพอดิยก้ยดีกว่าทำไมจึงว่าดีกว่าคันมูพันว่าผมโบดีด้วยคนมาจำพรรษาํำผมหลายคนท่านดีขัยประจันนำดาให้คิดจังสิยุดเสมอผมวังดีมีคนมาส่งก็รรับต้อนโบมีทางไปผมรับวังว่าทุกคนต้องแก้ได้เรื่องนิสัยใจคอ ย่าเว้าไปตามมันกูดีแล้วละกูเป็นอย่งตังส้สแต่โบเม่ดีอยู่เจ้าของเหตุแห่งบุป็นตะเอามันบุถูกต้องถูกต้องอยู่ถูกต้องตามแบบกิเลสเออมันเป็ น, นบนโบเม่ถูกต้องด้วยสติปัญญาได้ครับงานทุกชิ้นบนรับญาต จ, จากผมบบต้องทําคําพูดที่ไปพูดกับญาติโยมทุกคําถ้าบนรัจากผมอย่าไปพูดพูดมันเสียผมเลยค่ะ เออหลวงพ่อเทียนสอนคนอย่างสันติเนี่ยความจริงผมไม่ได้สอนอย่างสันผมสอนให้คนรู้จักตัวเองเคารพนบนอนตัวเองทีแรกผมบอกไว้ให้รู้จักสถานที่เคารพสถานที่คืออย่างทับนี้วขวรนเนให้รู้จักสถานที่ทับนี่ควรควรทําอย่างไดเคารพวัน <c oughs> นี้ครูบาอาจารย์บุคคลนะควรเคารพอย่างไดและต้องเคารพ ที่จริงแล้วเาลบสถานที่เาลบตัวบุคคลนะเขาลบตัวเขาถ้าเหาบุรุษตัวเขาแล้วจริงปล้วเาลบสถานที่ได้ยังไงแล้วเคาลบตัวบุคคลได้ยังไงผมรู้จักธรรมะอันนี้มาผมยกมือไหว้ตัวเองได้ครับหลือกละทุกประเภทครับนอนมือเ้าต <c oughs> ีสองสามสิบหรือตีสามอย่างตาที่สุดออกลุก ล้างหน้าทุกองค์ครับสร้งนั่นเนี่ยให้ปฏิบัติอย่างนี้<ม>คันท้าปฏิบัติอย่างนี้ก็มีมนต์ไปรดเมื่อื่นได้ครับเ พ, พราะผมจิปิ้จริงๆปีนี้เมืม่อเส้ามาอย่างน้อยก็ตี่สามหรือตีสองสามติดลุกออกมาลางังนั่งสมาธิไฟบวกให้ใต้บวให้ใต้ไฟฟ้าแบบ น, นี้ใต่ไ ฟ, ไฟฟ้าผมจิใส่สิ่จุดใส่หั่นจุดหนึ่งแลว้วก็นีดจุดนึ่งอยู่ใส่สามจุดพอแล้ว จุดนั้นใส่ตลอดวันเออบนเม็ดมือวันเนี่ยใส่ตลอดคืนจุดนั้นใส่ตลอดคืนแต่จุดนี้บางทีอาจผมอยู่นี้อาจจะใส่เวลาไหก็ ไ, ได้ผมต้องการใส่กันเศรษฐบุตส่ไปแต่กูศลสำหรับห้องกรรมฐานนั้นต้องไต่เทียนหาเทียนไปไต้เอซื้อเทียนไข่ประจําไต้ไฟย่าไปจุดกุฏิวิหารมันบดูดีอันนั้นว่ามันบูดีแล้วแสดงว่าเจ้าของบูได้เคารพตัวเอง ว่ได้เบิงการเบิกงานไหมยังเนี่ยมเจ้าของให้ดีแล้วมันผิดน้ะซื้อมาผิดผมบอกคำว่าสตินั่นนะครับมันเ็นเ่องของคิดได้สติควรคิดกับสติเป็นคนละอันกันเลยควรคิดแต่มันคิดไปเรื่อยเรื่อยไปคิดอันนั้นก็ดีคิดอันควรคิดเมื่อสติแล้วเด็กโอกูคิดได้เนี่ย แปลว่าสติความรลึกได้บ น, นี้ระ ล, ลึกได้เราคิดบนญรู้ตัวไหมรู้ตัวแล้วบุญรู้ตัวแล้วโอ้คิดเมื่อกี้นี่มันผิดเด้ทำเมื่อกี้มันผิดเด้นะเนี่ยคนว่าเอนว่าผมรู้สึกตัวฟังให้เป็นเรียนมาแล้วเอาไปใส่โบได้มันสู้มาขี่เหินโบได้ขุมหูแบบนั้นมันก็ดีอยู่แต่เมืนขุมหูแบบโลอก ยาวขมโฮแบบโลกภมาว่ากันสถานที่ที่ตรงนี้สถานที่ที่ฝึกหัดให้คนมีจิตใจสูงแล้วโดยไม่ฝึกหัดให้คนจิตใจต่ําซิ่งเซฟติดทุกประเภทบบให้นําเข้ามานําเข้ามาตั้งแต่มีสั่งเด็กขาดอนนิมมอนไตรล์หนังสือพิมพ์ทุกประเภทโบจ้องมาอ่านที่นี้เขาอ้านกันมาพอแล้วเขาอ่านหนังสือพิมพ์มาได้เป็นรัฐมติจากคนอยู่นี่บบได้ป็น ได้เป็นผู้บริหารงานจากคนบ่หมีผู้ใดเป็นบริหารจักษคนเรื่องนง่ายนเหมือนเรื่องของโลกเฮาจิจแสวงหาธรรมะสิ่งที่คนบ่เคยแสวงหานั้นให้มาแก้ปัญหาตัวเฮาเมื่อเฮาแก้ปัญหาตัวเฮาได้แล้วเฮาจะไปแก้ปัญหาของคนอื่นได้เมื่อเฮาแก้ปัญหาตัวเฮาบ่ได้จิจไปแก้ปัญหาผู้อื่นบ่ได้เขาบ่นับถือเฮาดีบ่แพงยังสู้าดเซ็ทเทาเขาบ่ได้ดีนะ นี่ไม่ติดเอาท่นนี้ขันสู้พา เ, เทถาเขาบกขอกได้เขาจีเขารบเพยย่าง้าเสถาเนี่ยเจ้าของดีอย่างจันตีอันนั้นกูเคยเหตเป็นอันนี้กูก็ยเหตเป็นเฮ็ดและมันบูทุกจังหวะทุกจังหวะเจ้าขอ ง, ง ซ, อซื้อซื้อผู้อื่นเขาว่าบูเหตดีแล้วมันจะดียังไงให้คนอื่นเห็นดีให้คนอื่นเขาว่าเขาดีอย่าไปว่าเขาดีจากเถื่อทุกคนผมสั่งเนี่ยเป็นคำสั่งอันเนี้ยถ้าหากว่ากูดีแล้วท่นโอ้เสียแล้วคนนั้น ไ่ต้คนดีแล้วคนเสียมาดีเอาตัวเองได้เนี่ยนะว่าคนบ่มีดีอวดดีซื่อ อ, อนนะคนดีแล้วโบต้องอวดดีเขามาหาคือยังเหาสร้างทับมงขวนอี่แล้วหาโบาได้ไปอ้อนวอนขอร้องไม่ยังตะต่างหนึ่งซองตตางลอยหนึ่งพันหนึ่งเขาไม่ได้ไปเผยแพ่ผมคิดว่าได้มาด้วยนะ้าพักน้าแหลงพระทุกองค์เด่นทุกองค์ งานโยมทุกองค์ทําดีไว้นี้เขาเกิดสัตา์ผมไปเทศขจ้าก็ให้หมาเธอละร้อยสองร้อยเถละพันจ่อเถิดละมื่นก็มีนะครับขเจ้าให้หมาผมบัได้เห็นยังผมพยายามทําเพื่อหมู่มู่ก็ทําเพื่อผมมูท่ทาดีบนไม่ทําดีให้มู่ดลยทำดีให้ผมผมทําดีเบนไมผมทําดีให้หมู่เอบนไม่ผมดึงทาดีให้มู่แล้วทุกคนช่วยทําดีสเสริมกันเขา้ายาปากยาเวายาคุยกัน โดยที่ไรประโยชน์โดยที่ไม่มีเหตุผลผมเบิง้งทุกมือผมเบิง้งพระเม น, นทุกองคนุ่งเสื้อนุ่งผ้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่ากซื้อว่าอยากนุง่งตั้งใดนุง่งไปจนคันเหตุดังสัน้นทำลายตัวเองทำลายมือทำลายสังค ม, ม น, งนี่มันนิรศรพมโบห่วงผู้เดียวผมอยู่ได้เพราะว่าผมสร้างคุณดีคนงามคนหุ้จักผมหลายคน เมื่อท่านเดียเขาไปหาเฮาบอนี่ที่เขาใจไล่ดีออกจากสำนักขันเขาไล่ในจากสำนักเขาเป็นคนดีบ่บ่ดีคนซัวให้เข้าใจว่าเขาเป็นคนซัวเขายังอยากให้เฮานี้ไทบเบยักปากอยากว่านําเฮาแลเรียกว่าเฮาซัวแล้วให้สำนึกยเสมืออันนี้มีคนไปคนมายกมือไหวอันนั้นคนดีมีคนไปคนมาถามเขาเบยากปากอันนั้นซือว่าคนซัวให้เข้าใจอย่างสั้น เฮาดีแล้วพ่อแม่ไอ้น้องดีนับเฮาเฮาดีแล้วเพื่อนฝูงดีนับเฮาเฮาไปทางใดนีมนมาสอนผมดเด้อครับเฮามีคมหูบนในสิตหูจะเว้าซึ้งซึ้งการกระทํามันเสียนั่นมันบุคุ้มคาได้ครับอย่าให้มันเสียจางการกระทําอย่าให้มันเสียจางการพูดอย่าให้มันเสียจากการสอนให้มันได้สามอย่างนี้ซื่งว่าพระธรรม พระธรรมการพระธรรมงานพระพูดพระเวาพระนึกพระคิดเขาเอิ้นพระธรรมพูดเสียออกไปทาเสียออกไปคิดเสียวออกไปเขาว่าผีเวาวันพระเวามัเสียอันนั้นห้เขาจาว่าพระธรรมคือเฮานี่แหละธรรมพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องเคารพพระธรรมพระพุทธเจ้าก็เคารพพระธรรมเนี้ย กระพาธรรมนตัวเหาเนี่ยพาธรรมคันท้าเหาบ่เห็นดั่งซียเหาเจบบ่เห็นพาธรรมจักเทื่อเหาเจ็บ่ได้ไปสอนพาธรรมจักเถื่อเหาเจ็บ่ได้เห็นพาส่งผู้ปฏิบัติตามพาธรรมจักเทื่อพาส่งก็คือตัวเหาเนี่ยปฏิบัติตามตามสติปัญญาอย่าสู้ว่าตามความคิดอันคนที่ไปตามความคิดนั่นบ่แมนเขาเอื้นวิวะวิปัสนุอุปกิเลสสิบหกประการ อผู้ได้เรียนเป็นมังหะมหากรรมีไดอยู่นี่มูท่านเขียนหนังสือเป็นทุกองค์อ่านหนังสือได้ทุกองคพรมเขียนห น, นังสือบบเป็นอ่านหนังสือโบเป็นแต่พมเป็นคนพูดก็จริงทําก็จริงะทําไมพูดจริงทําโยให้ว่าคนเขตอําเภอหนึ่งเนี่ยที่มาพิษ ธ, ธรรมะอันนี้ขึ้นมาผมว่ายากคิดคนจํานวนในเมืองไทยเนี่ยห้าสิบกว่าล้านคน บ่พอลานขนได้วาธรรมะแบบผมนี่ครับจังหวัดเลยเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยผู้หนึ่งครับเลื่อปฏิบัติมาเป็นโยมิยด้วยนี่นะครับอืผมเสียสละทุ่มเทมาตั้งแต่เป็นโยมุนครับผมว่าธรรมะอันนี้ทําให้คนทุกคนทนทุกข์ไปได้จริงจริงความทุกข์นั่นหอบูฮุจักคือว่าเอาทุกข์นั้นมาเป็นผมสุขภนว่าย่าเห็นทุกข์เป็นทุขกว่าไง ยาเห็นผิดเป็นทูกข์ยาเห็นนรกเป็นสวรรค์ยาเห็นโกงจากเป็นดอกบัวมันเห็นไปด้วยเห็นผิดเป็นทู้กข์แต่แท้แต่กริงเห็นทุกข์เป็นสุขเห็นซั่วเป็นดีไปหงดบ้านมาปฏิบัติธรรมนิโอโบแมนอันทุกข์เป็นทุกข์สุขเป็นสุขผิดเป็นผิดทูกเป็นทูกคนเอื้นสัจจะเป่าของจริงเขาเห็นจังไดเพึงตะว่าจังสันแล้วมีเป็นของจริงจริงโดยสมมุติอัน คุเอื้นสมมติบัญญัติขึ้นมาเขาโบเสื้อฟั่งดีครับคุเอื้นสมมุติบัญญัติปรมัดบัญญัติบัญญัติขึ้นมาเพราะมันโบดีคนโบเห็นดีเพรเอื้นบัญญัติขึ้นมามันโบดีว่าไงอัฐะบ่นอัฐะก็คือตัวคมคิดทูลไล้บ่นอัฐะบัญญัติมันคิขึ้นมาเขานุษคิดก็ยังคิดอริยะบัญญัติอริยะบุคคลได้บ่นเนี่จึงเป็นอันผู้มีสติครับ มันคิดขึ้นมาเลยเห็นแล้วดูโอ้มันคิดเด้มเมื่อกี้เนี่ยนั่นพราะเรืองมีสติสติจิควคมละลึกได้จซตปลาสัญญาคามร่ารู้ตัวแล้วมันคิดเมื่อกี้เนียวใสเอาโจนี้ไปส่องตัวหลังไปได้ครับนี่ผมตั้งใจมาพูดมาวาให้ฟังการงานทุกช่้นบนรับคำพูดจากผมอย่าไปทำทุกอย่างทีเดียวสั่งเด็ดขาดมือ น, นี ถ้าหากใคบกปฏิบาาัติยันรือมืออื่นเศร้ามนีมลประสันจังหันหน้าก็ได้โบงอครับโบงอเท่ๆพาะผมจะพยายามพิษที่ตรงนี้แทๆปีนี้ครับจำนวนพระ อ, อยู่นี่เนยอยู่นี่ผมว่าได้จากสองสามองค์ก็จะดีเนี่ผมตั้งใจว้อย่างไรทุกองค์ที่ผมว่านี่ญาติโยมคือกันมาเนี่บโบงอโบงอเท่ๆยีงอจังได ข้างคนจริงมันกินไสอนคนดีบอกมันก็ไปเอาเอาใจคนสนุะบอก้องเอาใจสอนทุกย่างผมสุขบุรีครับเขานั้นผมว่าเห็นสุขบุรีมันโก้เขายอยากกระป่องคุณ่ามือแดงมัดพอดีผมปฏิบัติธรรม น, นั้นเลิกได้ตัง้งแต่บนนจิจทาวมือนี้ครับสิ่งที่ซัวซัวผมบอกมาวาวผมบอามาคิดแท้ บ่เอามาเว่าบ่เอามาทำบ่เอามาคิดคิดยังมันเสิอ่ะมันเป็นนิสัยนึกว่าการละนิสัยละสันดานนี่ละยากครับนึกว่ายาปากอยาเบาเบิ่งตัวเห่าเขาจะละได้ถ้าห่าหักฟางเตว่าแล้วบ่ได้เบิ่งตัวเห่าได้ครับมันจิละบ่ได้ได้ละบ่ได้เป็นคนบ่ดีได้ครับวอาเื่อๆทีเดีเขาละได้แล้วก็ดีเห่า ดีเฮาจัางไดโอ้เจ้ก่อนพระองค์นั้นเนรองน์นี้เป็นอย่างสั้นพันษาแล้วเป็นอย่างสั้นพันษาก้อนๆเป็นอย่างสั้นปีนี้คือรู้สึกว่าดีขึ้นจากน้อยทอเม็ดงเขาเปลี่ยนกันอย่างดีนะครับต่อมาปีต่อไปทอมิ่งเขาหักครืงต่อไปต่อไปก็จะได้เท่ากับทมิ่งเขาบวกไปอย่างสั้นบัดบนี้เปรียบเทียบให้ฟังขี้แ ก, ก่กับเข้าวลีก เขาเลี้ยงนะมันไ่ได้ตำบทาเป็นขี้แก่มีค่าคล้ายๆกันห่อดีกว่าขี้แก่ดีกว่าเขาดีครับเขา้าปายดีกว่าห่อเขาหักเครื่องหักกลางก็ดีกว่าให้ไปได้เป็นเข้าวทีหนึง่งครูบาอาจารย์เขาจะบอกเองดอกเออมีมูลพระโองค์นั่นไปมีมูลพระองค์นี้ไปนั่นครูบาอาจารย์ฝึกดีแล้วนําสุกมาให้ดูเป็นว่า พระพุทธเจ้ามีความสามารถฝึกมนุษย์และเทวดาอันนี้มีความสามารถฝึกยุตแต่ม่อเอาผมแหลก็กบนประโยชน์เนี่มีประโยชน์มันกี่สถานทีครับมีสดติวให้คนที่ผพ้มีประโยชน์มาอยู่แล้วข้าวอุปกรณ์ใส่ใจกับจีบมากครับถ้าหากคนบูดีนี่มาอยูน่นี่ข้าวอุปกรณ์ก็มากขึ้นที่อยู่กับขับแคบขึ้นเป็นาง แล้วเอาตัวย่างของคนสัวมาให้คนดีสะด้วยนี่มันโบดีเองสินมันที่ผมว่าให้เนื้อกกลับมือกลับตัวทุกองค์ทีเดียวสั้งเด็กขาดแล้วถ้าหากจะอยูยย่ก็ต้องตั้งใจลงมือทากันไปกลาว่สามโมงตีสามลุกเดินจมกรมทุกองค์นั่งสมาธิทุกองตอนแรงก็ต้องอาบน้ำลงน้ำ ย่าปากยาเวาลยาคุยกันจริงๆนั่งอยู่ในห้องภายห้องเราถึงเวลาแล้วผมจะไปสอบอารมณ์มือหนึ่งสองเพื่อถ้าขอปานี้ะผมอยู่คุ้นผมมายากวันนี้ผมย้ายเข้ามาอยู่นี่แล้ว <c oughs> ผมจิ้มาประจําอยู่ที่นี่แหละครับะว่าถึงเวลาผมก็จะไปซื้อยาุงเทพแล้วก็จะกลับคืนมาที่นี่เพราะพยายามกันจริงๆกุตินั้นท์เป็นหน้าที่ของเขาผมจ้างข้าเจ้าแล้วขโมงมุอหนึ่ง เขาความมู่เจนพุงแตกกับโบเป็นโบเป็นครูโบเป็นอาจารย์โบเป็นหน้าที่ที่ไปสอนเขาแล้วเขาโบมีนหน้าที่เดชไทสร้างเฮาเมืไทยสร้างหองเฮ็ด เ, เอาคนว่าคนอวดดีโบมีดีในตัวอยากเอาคมซัวไปให้มู่เห็นบบแม่ <Moment. S 1> คนดีแล้วเขาจะมีคนบอกเขาเห็นฝีมือมันดีเฮ็ดมันดีเขจาจักใสเห็นว่าฝีมือโบดีแล้วก็เขาจางใส่ เพชรก็ตามสร้างโบเอาเนียพอเพชรก็จะเป็นขี้ตมไปเรื่อยบันเดินขีอตมก็จะกลับขึ้นเป็นเพชรไปเป็นอันเดชคนมันบูดีเดชเจ้าของวัดดีเป็นเพชรเป็นนินกับโบดยีย่าคุยยาวอย่าอ้วดตัวกูเรียนมาสําเร็จสันนันสันนิโอ้ยสําเร็จสู้มาขี้เหินบบได้ก็มีนะผู้เขากูยงังโมพ่อหมุดมูลข้าเจ้าโบได้ไปเรียนสําเร็จมาคนไปจ้างขาเจ้าเนี่ย คนเรียนจบปริ ย, ยเอกมาแล้วติดตารางก็มีเน่พ่อควมคิดดิเลคะครับบ่มีสติบ่มีสมาธิบ่มีปัญญาบ่มีความรู้สึกตัวให้ว่าเดี๋ยวไปคนเราคนบ่มีประโยชน์สู้มาขี่เหินบ่ได้คนบ่มีความรู้กันเนี่ยคื อ, อยังโมงพหมดหมูดให้บ้านบูหมมาจ้างข้าเจ้าไมเ่เห็นข้าเจ้าไม่ได้เปเรียนดอกมุนเนี่ย บ่ได้ไปเข้าโรงกลึงบ่ได้ไปเข้าโรงเรียนโรงซ่อมโรงอันไดคะ่ะเจ้บ่ได้เฮ็ดเป็นการกระทําถูกต้องพุ่นเขายังว่ามันดีการกระทําบุกถูกต้องเรียนมาจบสั้นใดกระทำตา่างมันบ่มีค่าครับมีค่าเพราะขาวาเอาว่าเขามีใบประกาศมีใบประกาศได้เงินเดือนเท่าใดบ่ได้จ้อยสามเนี่ยเป็น บ, บ่ดีประโยชน์มิยังแม่ข่าวคือกันแม่ดําคือกันมีผู้ใดว่าให้ปรับแปะ โกเกะเขาก็พกกันมีเรื่องอย่างมาว่ากับนายพอสกุเพราะอายพรสเป็นคนบริหารงานที่ตรงนี้ที่ว่านายพรบริหารงานกับเมียนเมียนแล้วที่บ่มียังไงมีบ่มีหลักมีโบกสัตว์เนื้อกว้าขาเจ้าจีมีศรัทธาขาเจ้าศรัทธาผมพี่ข้าเจ้ามีศรัทธาได้ข้าเจ้าหยงยกให้ครับพีนทุกขาเจ้าบมศรัทธาก็ได้หาเงินสดใส ขาเจ้าไปมุดเงินล้านกวาบาทแล้วได้ห่อเฮ็ดเนี่ยครับแล้วมูอโบได้ไปหางเงินมาซอยคนละพัน 2000, สองพันเนครับลคนละเมือกงกับโมีมีแต่ผมไปหั่นมานี่เตะตั้งเตะนี้แล้วก็มีเอาพวกามาให้เขาพยายามท่า น, นับทนอมกันดูพอทุกคนช่วยกันสร้างดีเลยมือเพิ่นก็ได้ไปหาสร้างคมดีไว้นี่แบบนี้ไงก็เท่ากับมูกไปเดี๋ยวฉันจะผมไปเด้ ถ้าเจ้าร่มหมเนื้อนี่บ่เนาะนี่แล้วก็มู้ดทางานทางหลังเนี่ยมันกัดซอยซอยกันปุ้อิญขีดสองปากคีดปากเดียวมาจับเล็กบ่อยู่คนนึงวะมันมีคีดสองปากจับเด็กแดงเด็กคอนมันอยู่ได้นต่ว่าขวมเลือดร้อนควมสับสนวุ่นวายยาา่านํามาแท้ๆได้ยินทุกองค์ผมั่างนี่ยมันบอกครับเลกตั้งแต่นี่ไม่เป็นต้นไปยังสืบพืน้นเมเข้ามานี่ผมด่มาเลยบ่เดียว บ่เป็นหน้าคนแล้วนะั่นหน้าสัตว์แล้วนะั่นบุญพระแล้วนะ่ะผีแล้วนะ่นคนมันต้องจําได้นี่ครับผีมันจําบ่ได้ครับคนกับผีจึงว่ากันบ่เป็นผู้มีตาทิพย์จึงเห็นผีคนผูมีตาทิพย์ไม่จีเห็นผีบอกผีคือคนเรายากพูดยากสอนยากเขาก็ากบักผีออกเสียงก็เมันเรายากเนี่คันเป็นผู้ตา พันผู้หญิงก็มีนม่เกินก็กนกคือผีหรืออีผีเกินมันเบายากักพระเนินคือกันพระเนินเบาหนกกับผ้านี้ก็เป็นผีได้เหมือนเบาหนกเนี่ยบุตรคนเหมนผีรูปร่างหน้าตาแข้งขาเป็นคนก็จริงหักเป็นผีใจมันเป็นผีบุตรตัวคนเป็นได้ครับใจมันเป็นผีเจ่าเลิกละสันดานผีออกไปซะมือหนี่ยมือแปดคําแหลมแปดคําตั้งแต่มีนีีเป็นต้นไป ซิ่งเสพติดทุกประเภทยันนำเข้ามาดูไม่เห็นวาสันตาแต่มันเห็นมันก็มีในโลกครับพูดแล้วมันจะค่อยๆฟื้นฝูขึ้นมาพูดยือ้อใสกระตามซางทำยือ้อใสกระตามซางคิดยือ้อใสกระตามซางเพ่อว่าหี่นีก่มละอายแก่ใจนี่ โอตะปาขวามเก่งกลัวต่อบาปคนอื่นบ่เห็นเขาก็เห็นแล้วบ่เขาที่เป็นผ้าเดียบุคคลไม้นเนี่ยครับแต่ว่าเขาบุปเป็นกระทั้งซ้างใครที่เห็นมันไม่มีเครื่องหมายเด้ครับของมูนี่ครับนี่เด ต, ตั้งอกตั้งใจให้ช่วยกันเสริมสร้างตั้งแต่มือนี่เป็นต้นไปมือแรง ได้เวลาพอสมควรแล้วยห้มันมือเกินไปแล้วยห้มันสวยเกินไปเอามาตีละฆังทำวัดทำวัดเศ้าทำวัดเย็นบ่จำเป็นกับบ่ต้องขาดต่อตอไปนี้ผมอาจจะคิดแนวหนึ่งถ้าหากว่าปฏิบัติไปมันได้ผล น, น้อยผม่าคิดว่าไปบินทบบาทมาแล้วเอาเขาออกจากบาทให้ไปสันผู้เดียว จะให้ไปสัน่นบวชให้ไปสัน่นออาไปเจนเหลือพุงแตกก็บูอเอ้ครับให้ไปสั่นพอดีน ม, มเนมบวชจ้องเก็บเข้าไปในกุฏิครับสั่นแล้วเก็บเรียบร้อยสถานทีกระดาษข่าวกระดาษท่งพลาสติกเก็บให้มดทำมันเรียบร้อยอยู่เนี่ยเมล้ อ, อคือกันเนนคือกันอย่าให้มันจู้จีนจัานจ้านของเฮ็ุบุนีมันกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวดีนี่เนี่ยก็ต้อง เป็นเกตรกรเริ่มลงมือตั้งแต่เมืม่ออื่อนี่ไปรลบอเดียวไัเห็นกระดาษอยู่ใส่ข่าวข่าวจับมาทิ้งฝังไว้ ย, ย้ายมันเห็นให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยคนทั้งอื่นมาเห็นหน้าคารุหน้านับถือเมื่อข้าเจ้าหน้าคารุบหน้านับถือแล้วข้าเจ้าศรัทธาเองครับเฮาอย่างให้ข้าเจ้าศรัทธาเฮาให้ซัวมข้าเจ้าจิตศรัทธาเฮาให้หยัง่งเฮาให้ดีแล้วข้าเจ้าศรัทธาเอง ธรรมะอันนี้มันเป็นธรรมะสากลครับมันเป็นของทุกทุกคนไปเม่ได้ว่าเของผู้ใดเลยครับจึงว่าพระนั้นมีประจําโตเฮาแล้วผมว้ายิฝังเมื่อแหลงผมเดินจมกองไปผมนุ่งกางเกงว่มโลภก่มโกธความหลงเรียกว่าโทสะโมหะโลภะอันเนี้ยดูดลกไปเลยเออโัน มันเป็นอย่างสีเดโทสาโมหะโลภามันออกไปเด่ว่าแั่ผมเลยเห็นนะสเห็นอยู่ดังสันดทีครับยู่เพื่อนตาทิพเห็นมันครับหูทิพฟังธรรมะเป็นเออกูได้เป็นพระได้แล้วเด้บันี้เป็นอยงสันที่สื่อเนี่ผมกระยาวอยู่ในเขาน่ะของเป็นโยมเนี่ยนุ่งกางเกงเงี้ยควรมเป็นภาพแบบนี้แหละให้เขาแสวงหาให้มันเกิดมันเป็นมันมีขึ้นภายในจิตใจของเขา อันเป็นผ้าในรูปแบบอันี่ก็ดีแล้วอันนี้ก็ดีบุตรสมันบุดีครับแต่มันดีโบขนาดตัวอย่างที่ผมว่านี่ครับถ้าหากเขาจํานวนอยู่นี่เก้าองค์สิบองค์นี่สวยกันทําปีนี้ผมว่าเรื่องผมว่าเนี่ยปฏิบัติการใดบ่ปฏิบัติกาไ ด, าได้ท่านบุญเป็นคนโง้อจากผมนี่เลิกมือเนี่ยก็แล้วซื้อนี่นะเรื่องอันนี้นะนางสิบพิมก็บุษย์มาดูหัวมาลจากเล้วซื้อนี่นะ ซึ่งเสฟติดทุกอภัยกุเลิกได้เมื่อนี้แล้วเสื้ออเนี้ยตอนทางใจที่สำคัญอยู่บนนี้ใจของบุทันสว่างเรื่องเมืนี้เลิกได้ตัดขาดลดฟังขันเป็นคนน่ะขันบวมิผทีเด้อขันทีเทเลกบวได้เหมือนบางยาบักทีนี่ขึ้นบาง้าพ้าอุ่นนี่ผ้าผีนี่ก็เป็นบางยาสันดานสัตว์บวมเสันดานคนนั้นให้เข้าใจทังสันสัตว์กับคนก็วอกกัญญาพี่กับคนก็ว่ากัญญาเพราะมันมุขให้รู้ภาษากันครับ คันท่ารู้ภาษากันแล้วโอยมันก็บป่องของงานโมท่านเห็นเราบุญแม่เคยออยังผมวานอี่ยงเมื่ออื่เนี่ยเลิกโลดบไปบินทบากกลับไปหมเสื้อผมผ้าไปเงียบบาปากเบาๆน้ำไปทั้งหมดอัดมุกับเ้านาบบําเฮาหอกเบาๆน้ำมูดดูโตเฮาไปบินทบากมาหอกกลับคื้นมากับมาผักสันสันกับเบาปากเบาเวลาสันเข้ากับว่าวกับคุยกัน บ่มีโอกาสจะได้เบื้องความคิดตัวเองจักขึ้นมาไปเบื้องความวาเมิดมันคิดมันอยังเวาคนเฮาเลื้อบได้เห็นเนื้อเห็นอารมณ์เออันอารมณ์มันว่าไปตามอารมณ์ไปเท่ากันถ้าหากเฮาเห็ดนั่คืออย่างผมว่าเนี่ยบทปากบอกเฮาจะได้เบิ้งความคิดเฮาได้มันคิดขึ้นมาโอ้มันคิดเด้อันนี้เนี่ยเฮาเห็นความคิดโอ้มันเป็นอารมณ์ประเด้เมื่อกี้เนี่ยมันเป็นอารมณ์เป็นเฮาเห็น แปลว่าเขามีสติเบื่อเขาบ่กไปตามอารมณ์เลยเด้สติ ก, ก็เขาหูจักตัวเขานั่นแล้วความระลึลกได้ก็คือเขาหูเมื่อตัวเขาโอ้มันคิดเมื่อกี้นี่กูบ่มีสติเด้มันว่าเมื่อกี้ไปเมื่อกี้นี่กูบ่รู้สึกตัวกูเด้เนี่พยพ่ญาวบาบบให้เเววยู่ผู้เดียวให้ระวังความคิดเพื่นวางกันยู่กับมิกกับพักกับพวก กับพวกนั้นให้ระวังคําพูดคําจาเพันว่ากันพ่อแม่พันสอ น, อ, นอันนี้ยผู้ดเดียวกันก็ บ, บนระวังผมคิดตัวเองความก็คือกันมันคิดไปตายไปนี่หู้ยิ่ว่านอนบนหลับก็บมีบางทีขมปากขเว้ายู่กับมูกกับเพวกอยากว่า ก, ก็จะว่าไปนะมันบนแมงคนนี่มันผีได้อันนั้นมันว่าไปตามอารมณ์ันให้เข้าใจากันเข้ามาปฏิบัติธรรมะข่าวนี้ตั้งใจอย่าไปดิ้นหล่น ผมว่านี่มูจีเข้าใจว่าผมคันนาบบังคับโบแมนเนี่ครับผมว่าเพื่อควมหวังดีได้ครับดีกับมูพ่พ้นพุ่นดีและผมก็เป็นคนเป็นผลพลอยดีตามไปซื้อผมมาบอกมูวิดีนี้นี่ก็ผมพี่เป็นคนดีมูเพิ่งก็จีเป็นผลพลอยดีตามไปซื้อครับดีพ่อเฮาเฮ็ดดีอย่างวะ ถ้าหาักเขาเฮ็ดดีแล้วขุวมดีมันไหลมาเองลองบนแม่มืออื่นี่พูดถึงเฮ็ดซัวซะสองคนเฮ็ดดีซะมือหนาต่อไปนี่ก็สองคนเฮ็ดซัวซะผูู ด, ดีเฮ็ดดีซะมือต่อไปก็สามคนเฮ็ดซัวซะขุมดีเมด่อว่ามีคนมาเบื้องหน้าแล้วบันมือนี้ซัวซะจากสองคนมืออนี่ดีขึ้นมาซะดีขน ดีขึ้นมามดทุกคนดีแล้วโอ้ยเขาเจ้าข้าจ้ามาเบิ่งแล้วโอ้พระทับมิงขวดเนนทับมิ่งขวดญาติโยมทัพมิงขวดแม่ขาเจ้าปฏิบัติมีระเบียบเรียบร้อยรู้จักเขรลบนับถือกันโบย่างสวงเซิงเวงเออเนี่ยยางไปมนระเบียบเรียบร้อยข้าเจ้าสัไปใส่มาใส่ห่มเสื้อห่มผ้านุ่งผ้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่าซุนุ่งแบบนักเปลง บ่มีม่งแบบรักเล้งนะครับว่าแบบเขาเดือหันบ่มีแบบบัญพศิทฐ์บ่มีแบบสมณะผมเคยว่าให้มู่เพื่อนอยาเห็ดคันดาเจสันมีมนหมี่ไปโลดบื้ออื่นเยี่ยไปนุ่งอยู่บนอื่นอย่ามานุ่งอยู่นี่บวยเห็ดเป็นคำสั่งเด็ดขาดอันนี้ครับเพราะผมสังเกตดูมาหลายสันักหลายคนผมบอกซื่อ อ, อยากให้ดีครับ ผมไม่อยากให้สัวคันบางคนหาว่าผมบอกสัวบนเมรน่ะมันสันดานหมาอันบอกดีว่าหาเพื่นบอกส่วนเขาว่าสันดันหมาสันดานสัตว์มันกัดเจ้าของเจ้าขอเอาขาให้กินอยู่ขันด้วเชื่อมากัดไปเลยสันนี่ษฐานว่าสัตว์บนเป็นคนคันท่าเป็นคนจะต้องรู้จักคารมนับถือโอ้เพื่นเจตนาเราเด้งนี่เราต้องจําไว้เมื่อละเล็กละน้อยมันจะไหลไหลเข้าไป หลเน้าขุนกระจายไหลออกไปน้ำใสกระจายไหลเข้าไปน้าขุนกรจายไหลออกไปผลที่สุดน้าขุนกับเม็ดมีแต่น้าสะอาดซื่อเดี๋ยวนี้นี่น้ําขุนกับน้าสะอาดมาคุกกันอยู่เ่าเอิญน้ําขุนน้ำขุนจริงบุคุนได้ครับเขาเห็นน้ําตมงัวตมควยเขาอยู่วนํากลางให้กางนาเขาไปเขาไทนาเขาเอิ้น้ําขุนบ่แม่น้ําขุนเน๊ย ที่ตมต่างหากได้เหตุให้น้ำคุนเอามาไวบ้บนเนี่ยบันดาอันคิดตมคิดเลียมันคอยจมลงจมลงน้ำ ม, มันคุนวันนี้จมลงหมดแล้วก็นก้ำกรใสอันตัวข่มคิดกับตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาก็คือกันครับมันหอกวนขยุเขายุเข้ามาแล้วมนขุนมาเนี่ยอันนั้นเพราะว่าข่มคิดบ่มีสติบ่มีสมาธิบ่มีปัญญา จำให้มันดีอันนี้โอ้อย่าพ่อว่าน้ำตะกอดในน้ํามันบุขนอันนั้นคุณบนมบน้ามันไม่ตะกอนตั้งหากอั น, นตัวคิดนั้นหนนบนเร่องสติปัญญามันเม่นผมคิดคนเอื่นสั่งขานปรุงแตง่งอันนั้นมันนี่ตัวเขาเห็นขมคิดนั้นบนเรื่นสติกับความรู้สึกตัวหรือตะกอนดจะจมลงน้ำจะสะอาด บัด น, นี้เมื่อน้ำสะอาดโดยเฉพาะในจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจปกติคันขณะปกติน่ามันคุณเราก็เห็นสนันติบุญนามคุณอันนี้เป็นภาษาเว้าครับบันนี้จิตใจพ้องใส่จิตใจว่องไวาสามารถมองเห็นอันใดผิดอันใดทูกพจน์เรื่นงวาวิปัสสนาบัด น, นี้เราโบได้เป็นทางสันติเราต้องฝึกเฮ็ดจังหวะ เดินจมก้มเพื่อให้เกิดควมเห็นแจ้งอันนี้เป็นการฝึกหัดให้เขาให้มันรู้ตัวเขาเฮ็ุจังหวะยหอย่าขานอย่าเปนนางหงดงิดอยู่พูดนึงผู้เดียวบอกเส้นข้องผมไปเบิ่งมือนึงอย่างไม่ได้เขาตั้งแต่กดขุนอั่นข้โพงมือนั่ น, ม น, น, นผมกดลวงตาดวงตาเก็บนีมัดบวให้มีครับเมื่ออื่นนี้บ่เลยเมื่อใดผมกะจะออกไปเบิง่งทุกอุดทีเดียว ให้มีพระเจวรนสองผืนพระสบงสองผืนพระอังศาสองผืนขันธายังมา ก, กับมีพ่หอหมผืนนึงกับมอนกับตาดกับพอ่อนอกจากนั้ออกให้มมนมดบัวให้มีลายของครับมันหกมันเป็นหังหนูครับเครื่องทุกสิ่งทุกอย่างออกมาเทิ้มใส่ขุมอันนี้บนนั่นหลังผมยูนี่ครับใส่คุมมันเต็มไปหมด น, น, นั่นหมดเดียว ไม่เศษไม่เหลือไม่ออกเก็บไนะ่้ให้มัดผงพลาสติกสตึกกระดาษก็เดินนมเนมเขากินน่ะเอามาที่งพี่ให้มดอย่าให้มันสปกปรกญาติโยมเขาจะมาทางไกลเขาจะจะมาเห็นมันเขาจะมาเห็นกับมันก็โอ้สวยเนาะต้นไม้ต้นตอกเขานี่ก็พยายามเบิง้งแล้วกวดบนสูงลงมาหาบนต่ํากวดขี้ดินเข้าใจกันกันอย่าซุกวดบนต่าไปหาบนสูง เขาพยายามมันฮาบมันเตียนอันเฮาก็คือกันใจเอาไปพยายามให้มันฮาบมันเตียนอย่าให้มันหกเป็นหลุมเป็นบ่อที่ที่เน่าพอมาไว้ฝังมือนี้นี่นะพอกเวลามันหมึดไปหมึดไปมืออื่นเนี่ยข้าเจ้ากับพวกสร้างข้าเจ้าข้าเจลิงบอยามานยุ่งข้าเจ้าโบเป็นหน้าที่ทุกองคันผมโบสั่งครับผมสั่งบอกไปสรอยข้าเจ้าเดี๋ยวต้องไปคันผมโบสั่งโบต้องไป ผมเองเป็นคนคุมผมเองเป็นคนบงผมบอสร้างดอกครับผมหัวจักเออแต่ก่อนเห็นกันดาราทบ่ผมหัวจั ก, ก, ก, จ, กจ้างอาจจะเห็นบนโลกตเซกผมก็เอาบัดเดนี้ผมเบิ่งเป็นแล้วครับโอ้สร้างให้จังซีสร้างให้จังซีอันใดผิดอันใดถูกพอเหมาะส ม, มขอว่าได้เป็น่ยนกันมู่เพิ่นว่เป็นา น, น, ลลป น, นาทีทั้งหมดทุกอง ค, ครับ <c oughs> ผมว่าเนี่ยพอไปสร้างขาเจ้าข้าเจ้าจีบเ ว, าวา้อาหนำเหามันเสียเลี่ยมเหาแล้วบัดนี้เป็นย่ยนกัน เป็นหน้าที่ของมู่เพิ่นตั้งแต่ปฏิบัติธรรมเท่านั้นจะถือนางอยู่ในกุฏิไถยกุฏิลาวคันเทงเวลาสั่นเพินเขาเจ้กรตีเพลงนะก็ห่มเสื้อห่มผ้าออกมาคอยยางออกมาอย่สูญยางมาลูกซุกซิกไปยางไปเป็นระเดียบพีบอให้มันคล้ายๆคือกันให้ว่าจะไปมันน่าดูเนี่ยคนนึ่งเห็ดย่างนึงคนนึ่งเห็ดย่างเนื้อมันก็บน่าดูแล้วเว้ยมันก็ตีแข้งตีขาเอาไม่เอามือไปคนละเบื้องละยางไป มันกระบวนหน้าเขาหลบบนน่านับถืออที่ผมนํามาเล่าให้ฟังตอนเย็นเมื่อแหลงแปดคำเมื่อในกานึกว่าจําได้แก้ไขได้โลดถ้าหากองค์ใดบ่นยอมแก้ไขกันนิมนต์มืออื่นเศร้ากันนิมนต์จี่ไปบินทบาทกันได้ก็ไปบินทบาทกันได้จีไปสั่นหน้ากันได้ได้กีสั่นนี้ก็นได้ไว้อยู่ผมบอกได้ขาดเป็นคําสั่งอันนึ่งครับเพราะว่าผมจะพยายามพิษกันแล้วทุกองค์ประมาณที่ผมนำมาร้อยฟังกันนึกว่า สุ่มคนเกิเวลาแล้วท้ายที่สุดนี่ผมและพักพวกเพื่อนฝูงทุกคนผมขออ้างอี่ง อ, อุคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคาสั้งสอนขององค์สมุญญ์พระสมาสมพุทธเจ้าและคุณของพระตาสาวกพระสมมาสมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสกิดใจของพวกเราให้พวกเราได้ประพฤติ ด, ดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยคําสอนของพระพุทธเจ้าให้พวกเราได้พบได้เห็นเอางค์จิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบ จิตใจบริสุทธิ์จิตใจผ่องใสจิตใจว่องไวสามารถมองเห็นอะไรทุกๆอย่างแล้วกะตัดจินใจโดยไม่พลาดผิดอย่างที่พระพิจ้ารบนว่าสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตาถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นและจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตาถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตาถาคตนี้ ขอให้พุกคนทุกคนจงประสบความสำเร็จในระยะเวลาอันใกล้นี้จงทุกๆคนเถอด<อ><อ>